อัลลอฮฺุสซาลฺลัมุลลอฮฺราะห์มานีราะหิม a l h a m d u l و صلى الله عليه و على آله و أصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุข ความเมตตาจากอัลลอุบฮานตาไได้ประสบกับพวกเราทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นบ่าวของอ mm ัลลอฮแล้วก็เป็นอุ ม, มาของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลลลอฮฺเวสลัมเรามีชีวิตที่อยู่ในทิศทางเดียวกันก็คือเราศรัทธาต่อ Allah, อัลลอฮอามานูอีมานเรียกว่าอีมานอีมานแปลว่าปลอดภัย อีมานแปลว่าปลอดภัยคือถ้าเชื่อคำสั่งของลอแล้วเนี่ยเราจะได้รับความปลอดภัยแล้วก็อามิลุซอยลิฮัตปฏิบัติตามภารกิจที่ถูกต้องตามที่อัลลอ์ประสงค์แบบไหนล่ะคือแบบที่อัลลอ์และเราซูลบอกเราไม่ต้องไปเลือกเฟ้นหนทางใดอื่นที่จะมาเทียบเทียงกับคำสั่งของอัลลอ์ เพราะนั่นคือการหลงทางเพราะเราไม่สามารถจะรู้ลึกถึงเรื่องราวต่างๆได้บางทีเหตุการณ์เป็นแบบนี้เราตัดสินใจตามความรู้สึกของเราแต่ว่าไปขัดกับคำสั่งของลอวันนี้เป็นซูลอยุซุบอา้อาที่สี่สิบสามถึงสี่สิบหก เป็นความฝันของกษัตริย์งั้นความฝันของทุกคนมีไหมมีแต่ว่าฝันแล้วจะทำนายใบ้นายอย่างไรเนี่ยถ้าเราไม่เป็นเราไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เราก็ทำนายไม่ถูกแต่ก็มีหนังสือบางเล่มที่เป็นสถิตินะเป็นสถิติที่เก็บข้อมูลของคนที่ฝันแบบนี้แบบนี้แบบนี้สถิติบอกว่า ถ้าฝันว่าเจอปลาเนี่ยสถิตินะแสดงว่าจะมีริสกีดีก็เป็นสถิติที่เก็บไว้แต่ว่ามันไม่ใช่ความจริงตามนั้นก่อนๆเราได้ยินไหมว่าฝันมางงูมากัดคนก็บอกว่าเธอจะได้แต่งงานจะได้มีเนื้อคู่แต่ผู้หญิงคนนั้นก็ฝันคืนเดียวอยากจะฝันหลายๆคืนให้เนื้อคู่มันเป็นจริงแล้วก็ไม่ฝัน งั้นเรื่องฝันเป็นสถิติเรื่องการพยากรณ์อากาศก็เป็นสถิติที่อัลลอฮ์ให้เราได้เรียนรู้ว่าถ้าถ้าลมมันพัดมาแบบนี้มีเมฆฝนระดับนี้ตามสถิติแล้วฝนมันอาจจะตกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่กระดับของอัลลอฮ์สถิติมันเป็นรายเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ประมาณการเท่านั้น แต่ว่าความเป็นจริงนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์กำหนดเราศรัทธาใช่ไหมวันก็ดีรืค่อยริฮีวัชั่ริฮีมันอัลลอฮิตาลากำหนดความดีและความชั่วมาจากอัลลอฮ์อัลลอ์เป็นผู้กำหนดดีหรือไม่ดีมาจากอัลลอ์แต่เราจะดีหรือไม่ดีเราก็ไม่รู้อนาคตแต่รู้ว่าเราต้องดีถ้าปฏิบัติตามคามสั่งเหมือนวันนี้ที่ผมเคยบอกกับพี่น้องว่าอัลลอ์ Allah บอกว่าพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่ ไม่รู้จะตายเมื่อไร่ไม่รู้ว่าเด็กไม่อยู่ในในคันมารดาจะเป็นยังไงชีวิตจะเป็นยังไงเราไม่รู้หลายคนก็ตั้งข้อคัดค้านว่าอ้าวไม่รู้ได้ไงล่ะแดนนี้ตัวได้รู้แล้วว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายแต่ก็รู้แค่นั้นแต่ลึกไปกว่านั้นรู้ไหมอายุเท่าไรเด็กในท้องที่เกิดมาอายุเท่าไรก็ไม่รู้ตายเมื่อไรไม่รู้รีสเกียจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะรู้แต่เพียงภาพที่เราพบเห็น ก็นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองอ่าวันนี้ก็ <c oughs> เรื่องความฝันของกษัตริย์กษัตริย์ที่ปกครองเมืองอียิปต์ที่นา บ, บียูซุปต้องติดคุกเพราะความสวยของซุไลคอที่มีผลกระทบต่อยูซุปแต่ยูซุปก็ไม่เอาด้วยที่เรารู้มาผู้หญิงจะแสดงความรักอย่างไรเน่ะ แตเบียูซุปเป็นผู้ศรัทธาต่อเราก็ไม่ได้อ่อนไหวตามความต้องการของสุไลคอความสวยของสุไลคอไม่สามารถจะเชือดเฉื่อนอีหมานของเบียูซุปได้ผู้หญิงมันมีความสวยมีความนุ่มนวลมีความพอดีมีความเหมาะเจาะในชีวิตเขาถึงให้เป็นผู้หญิงอดทนสูงผู้หญิงถ้าให้ผู้ชายท้องนะเด็กหัวขาดหมดและ ดันมาหนอยก็กดเข้าไปลำคาญแต่ผู้หญิงยิ่งท้องยิ่งสบายใจยิ่งท้องขึ้นมายิ่งเอามือลูกมีความยินดีมีความพิติกับลูกที่อยู่ในท้องนี่คือความต่างของความเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะความเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเราได้รับบทเรียนเมื่อครั้งก่อนนี้เราได้สรุปช่วงหนึ่งว่าเราเป็นมูสซิมผูุสตาต่อรอเนี่บทเรียนลุ่นก่อนนะเมื่อครั้งที่แล้ว จำเป็นจะต้องหาโอกาสใส่ใจในการด่าวายอิสลามคือด่าวายอิลลั ล, ลบอกผู้คนให้เข้าใจคำสั่งของอัลลอ์เป็นหน้าที่ของเราเราต้องหาโอกาสนะด่าวายด้วยคาพูดด่าวายด้วยการประทัมกระทาที่เป็นรูปประมให้เขาได้จับตามองว่าแบบอิสลามเป็นแบบไหนนะสังคมแวดล้อมที่ขาดตัวอย่างอาจจะซึมซับการปฏิบัติตนแบบอิสลามของเรา เอาเป็นแบบวิถีชีวิตก็ได้เนี่ยเราก็ปฏิบัติแบบเราเนี่ยคนรอบข้างเขาอาจจะมีความคิดที่ซึมซับอิสลามเข้าไปในตัวของเขาก็ได้นั้นอิสลามจะไม่มีข้อยกเว้นเมื่อเขาทำความผิดจะไม่มีข้อยกเว้นแต่จะมีการลงโทษแต่กฎหมายบารราว่ามีข้อยกเว้นมีพวกหรือเปล่ามีพวกรอดไม่มีพวกแย่ไปแต่สําหรับกฎหมายขกรรล้อที่นบีเอามาใช้ ปกครองโลกด้วยความยุติธรรมนั้นนบีเคยพูดว่าเราซารกัดฟาติมาแต่ฟาติมาลูกสาวของฉันลักขโมยแล้วแล้วก็แล้วก็ต่อตัวยะดฮาคันจะต้องตัดมือฟาติฮ์ฟาติมาเป็นแน่แม้จะมีลูกก็ไม่ยกเว้นนี่คือการใช้กฎหมายขอลล์แบบการเท่าเทียม <c oughs> นั่นคือบทเรียนครั้งที่แล้วที่ผมได้โยงยายถึงเรื่องนี้ข้อที่สองที่เราต้องรู้ก็คือว่า ถ้าเราจะเติม إ ي ่ ا ن ของเราเติมเต็ม إ ม م ا ن เพิ่ม إ ม م ا ن ของเราให้มากขึ้นเนี่ยในเดี๋ยนี้เราทําได้นะเราต้องพยายามเชื่อมโยงเรื่องของเรากับคน إ ي م านรุ่นก่อนๆคนศรัทธารุ่นก่อนที่ศรัทธาต่อเลาะในวิกฤตนี้เขาปฏิบัติตนอย่างไรเราพยายามที่จะยึดโยงชีวิตเราเรียนแบบคนเหล่านั้นเอามาปฏิบัติเช่นผมบอกว่าอบดุบีอับดุ๊บีรหิมถูกโยนเข้ากองไฟ ใช่ไหมมีคนเสนอตัวจะช่วยเหลือนบีบรหิไม่เอาแต่ยึดยงชีวิตกับคําสั่งกองลอโดยนบีบรหิีมว่าไงนะฮัสบุนอัลลอฮ์วันนี้มันวากีลเราก็เอามาใชย้ยงย้ายกับเรื่องของนบีก่อนก่อนและเก็บและเก็บเรื่องราวและความการไปฏิบัติตงของนบีก่อนก่อนเอามาปฏิบัติกับตัวเราวิกฤตเกิดขึ้นฮัสบุนอัลลอฮ์วันนี้มันวากีลเป็นด ع อาต่ออัลลอฮ์ แล้วก็อัลลอฮ์ก็ให้ไฟนั้นเย็นแต่ความละเอียดของอัลลอฮ์ที่เป็นเจ้านะให้ไฟเย็นไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่เย็นอย่างเดียวนะบ mm ัดดันวาซาลามันอะไรอิบราฮิมแล้วก็ให้ความปลอดภัยแก่นบีอิบรอฮีมด้วยความร้อนอันตรายความเย็นอันตรายเย็นจัดตายได้ร้อนจัดตายได้แต่เย็นแบบให้ความปลอดภัยนี่นี่คือความไม่ต่างของอัลลอฮ์ที่ละติฟ มีความรอบคอบและตี่มีความละเอียดอ่อนต่อการดูแลสรรพสิ่งทั้งหลายที่เป็นมัคลูกที่ถูกสร้างมาโดยอัลลอฮฺสุบะตาลาั้นเราเราจะต้องอะไรครับยึดโยงกับคำสั่งของอัลลอ์เพราะอิสลามคืออะไรดีนุอิสลามคือมาชะรออาหุลลอสิ่งที่อัลลอ์ได้วางบทบัญญัติไว้เขาเรียกว่าดีนุอิสลามไม่ได้มนุษย์มาแทรกแซงในการวางบทบัญญัติอัลลอ์วาง แล้วก็ปฏิบัตินบีก็มาปฏิบัติเป็นรูปแบบมีมาอธิบายให้เราได้รับรู้นั่นคือนั่นคือดีนุอิสลามอ่านั่นคือดีนุนนอิสลามนบดุยูซุปเมื่อครั้งแล้วนบียูซุปบอกกับคนหนุม่มที่อะไรนะที่รอดตายอ่ะที่เป็นคงชงชงรินเล่าให้กษัตริย์กิน เวลาออกไปจากคุกก็ให้ไปบอกกับกษัตริย์ได้ ว, ว่ามีคนติดคุกเลยไม่ชอบทำอยู่แต่น บ, บียูซุกไม่ได้อิงต่อคาสั่งของลอวาอินชาอัลลอฮ์ไม่ได้พูดไม่ได้พูดประโยคนี้ที่จะเชื่อมต่อความหวังของเขากับอัลลอ์ลืมพูดประโยคนี้ไปน บ, บียูซุกกับต้องติดคุกอีกนานอุลมามะอธิบายว่าติดคุกเจดปี ถึงสิบกี่ปีนะสิบสองปีเพิ่มไปอีกเ ป, ป็นสิบสองปีงั้นเราต้องอะไรนะอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อย่าว่าโอเคอ่าเราจะโอเคเอาตกลงเอาอย่างงี้นะโอเคโอเคจบแต่เราไม่เชื่อมกับคําสั่งเขาเลยอินชาอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์นี่เราเราพึ่งมาชีอ้อา์ความประสงค์ของอัลลอฮ์งั้นเปลี่ยนจะโอเคเป็นอินชาอัลลอฮ์ พบกันตรงไห น, นปากซอยครับ ส, สามตรงนั้นนะโอเคเอออย่าว่าอินชาอัลลอ์เปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเล้ก็บอกว่าเหตุผลที่นาบียูซุมต่อติดคุกต่อเจ็ดปีถึงสิบามปีเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อและหวังต่อมนุษย์เพื่อนคนนั้นเน่ยที่จะไปบอกกษัตริย์ลืมว่าอินชาอัลลอฮ์ วันน ah, ี้อายาที่ทลายนะส่สามถึงสี่กอ่านเอาบุญก่อนหนึ่งอักษรดสิความดีว่าแลลมัลก์อินนีอาราสบะบักรัตสิมานีคูลุหุนัศบะอุลยิยาฟวะศบะซุมบุลัตินขรินวะอัครยบิษาต يا أيها الملك ُ أ ف ط و ن ي يا أيها الملك و أ, أ ف ُ و ن ي في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أ د َ ا س أحلام وما نحن بتعويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وذكر بعدهم أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أي والصديق أفنى في سبع بقرات ثمن ยา كلهن ص ب ا إجاف وصباح سُبلات خ د ر وخروج وخروج بسات لعلّي أرجع إلى الناس لعلّي أرجع إلى الناس لعلهم يعمل يعلمون วกรันมาริคุและกษัตริย์ได้ตรัสว่ามาริกกล่าวกอลากล่าวว่าพูดว่าแต่เวลาใช้กับกษัตริย์เขาใช้สรรพนามใช่ปะตรัสว่าก็ว่าไปกอลาก็แปลว่าพูดนั่นแหละกษัตริย์ได้พูดว่ากษัตริย์นั้นคือไรมาริคุมิสอัลอกบัตรกษัตริย์ ที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่ในวังอ่ะอัลลาฮิลอาซีสวซีรันลหูที่มีชื่อคนที่ชื่ออาซี่เป็นรัฐมนตรีเป็นผู้อยู่ในแวดวงของกษัตริย์เป็นวซีส ร, รัฐมนตรีวิซาโรกษัตริย์มีแล้วก็รัฐมนตรีมีกษัตริย์้ตัดว่า อินนีอรอซับอบากรอตินแท้จินฉันได้ฝันเห็นอรออรอฟินมานามขึ้เดีฝันฉันได้ฝันเห็นได้ไหมซับอาบากรอตินวัวตัวเมียอ้วนเจ็ดตัวสีม่านินแปลว่าอ้วนสีมานินเนี่ยอัซซัมอัซิมหนูแปลว่าอะไรแปลว่าเนยแปลว่าไขมันงานคนอ้วนมีนัยยะว่ามีอะไรเยอะมีเนยเยอะเออมีไขมันเยอะ น่ะมีไขมันเยอะอ้วนมีไขมันเยอะเหตุจากอ้วนคือกินเยอะกินเยอะอาหารมาตกค้างเยอะมาก็แปลงรูปจากโบยเดเป็นไขมันผมเคยบอกกับพี่น้องอะ่ะเวลาระบวชเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะอดตายหรอกเพราะอะไรเพราะไขมันที่ถูกสังสมในร่างกายมันจะแปลเป็นคาร์โบไฮเดรตมาเลี้ยงดูเราแป้งกับน้าตาลเนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดรตนะบางคนป่วยตั้งนั้นไม่เป็นอะไรกินอะไรละ่ะ กินไขมันที่แปลงจากไขมันเป็นคาร์โบไฮเดตใครให้ระบบนี้เอาระวางระบบมาให้เอาระวังระบบแล้วให้ความรู้สึกเตือนก่อนที่อะไรจะเกิดขึ้นอพอจะปัสสาวะการปวดปัสสาวะมาเตือนถ้าปวดแล้วไหลเลยแย่เลยนะพอรู้สึกปวดไหลเลย ไอ้นี่เตือนก่อนจิตจ้านอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คนจะได้รับคำเตือนไงเราก็มีโอกาสได้เข้าห้องน้าทันคนไปไม่ทันก็แก้ปัญหาอ่แก้ปัญหาเีนี้เ็ามีอะไรแบะแะอยู่เราไม่รู้เป็นการพวกเขาบอกว่าถ้าไปใต้ถ้าว่าอาจารย์ถ้าขึ้นเครื่องบินขี้เกียจเดินก็เดี๋ยวจะเอาแผ่นเพื่อไปให้ผมว่าเอ้ยใส่แผ่นเพื่อมันก็ลำบากก็สิิง เาคงเคยใส่นะเขาบอกไม่ลําบากหรอกมันจะแห่แต่มันจะหนักมันคงจะซับซับซแล้วกันหนักก็คิวช่วยแก้ปัญหาได้เนี่ยอัลลอฮฺจะให้มีสิ่งบอกเหตุก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นเวลาฝนตกเป็นไงฟ้าจะร้องพอฟ้าร้องปุ๊บเราเชื่อมต่อชีวิตเราคําสั่งของอัลลอฮฺว่ายังไงดูอาสุบฮานะมาอยู่ซับบิฮูรละดูบิฮามดีวันมาไลกัตูมินทีติปฏิบัติตามระบีแล้ว ฟ, ฟ้าร้องฟ้าแลบมันจะได้มีสิ่งบอกเหตุให้เราเก็บผ้าได้ทันนะสมัยก่อนเ้าตากผ้ากลางแดดไงพอลุมมาฟ้าร้องเราเก็บผ้าแล้วหารางน้ําแล้วไมก่อนนี่อยู่บ้านจากฝนตกลงมาสบายเลยกินน้ําแดงไม่ต้องใส่ชาเคยกินน้นํานะคะจากไหมไม่ต้องใส่ชาปล่อยฝนตกนิดนึงล้างกี่ฝนออกนะน้ําแดงๆเลยไม่ต้องใส่ชา เดี๋ยวนี้ต้องหาชาใส่ไม่ต้องตอนนี้เห็นได้เลยซับอบาบาการ์ตินวัวอวนเจ็ดตัวสิมาเนนยะคูลูหุนซาบอุอุนอียาฝุนถูกวัวผอมเจ็ดตัวกินพวกมันวัวอ้วนสมบูรณ์วัวผอมขาดแขนวัวผอมกินวัวอ้วนแล้วฝันเห็นไดอีก วัซซับอสมบูลาตินคูเดรินและรวงข้าวเจ็ดรวงนารวงข้าวเจ็ดรวงถูกรวงข้าวแห้งเจ็ดรวงรัดกินมันหัวหัว้อมเจ็ดตัวกินหัวอ้วนนะรวงข้าวรวงข้าวอะไรวงข้าวเจ็ดรวง ถูรวงข้าวแห้งเจ็รวงรัดมันรัดมันก็ฝันอย่างเงี้ยฝันอย่างเงี้ยมาริทเครามาริทของมิสซรีของเมืองมิสรีมาลิอักบัตก็ไปบอกว่ายาอายุหันมาลาอูอัฟตูนีโอ้ขุนนางทั้งหลายอันมาละกลุ่มขุนนางทั้งหลายอัฟตูนีจงอธิบายกับฉัน อตฟัตาอธิบายอธิบายแก่ฉันสิว่าฟีรุยายในการฝันของฉันครั้งเนี้มันจะมีสิ่งบออเขตอะไรบ้างจากการที่ฉันฝันก็ไปหาคนกลุ่มที่อยู่ในได้อยู่ในเมืองอยู่ในกลุ่มของข้าราชบริพารอิ่งคุณตุ่มเิรุยาตะบูรูนหาพวกท่านเป็นผู้ทำนายฝันได้ ทํานายฝันได้รู้จักการทํานายไม่ใช่เดานะก็ไปปรึกษาเหมือนกับขุนนางทั้งหลายแหละบอกขุนนางว่าฉันฝันแบบนี้หัวผอมกินหัวอ้วนหัวตัวเมียอ้วนนะหัวผอมหัวตัวเมียอ้วนเจ็ดตัวถูกหัวผอมเจ็ดตัวกินพวกมันฝันฝันว่ารวงข้าวเจ็ดรวงถูรวงข้าวแห้งเจ็ดรวงรัดกินมันรัด รังข้าวที่มันเขียวกับทุ่งรังข้าวแห้งละ่ะคุณนางทธาลายก็ไม่สามารถจะอธิบายได้เรารวบรัดเลยว่าเวลาเรื่องนี้ไปถึงนบิยูซุปเนื่องจากว่ามีคนคนหนึ่งที่รินฝันว่ารินเล่าเอกรรษัตริย์คนนั้นไม่ถูกฆ่าตายแต่ฝันว่านั้นนะลมปังอยู่บนหัวอะไรนกมันเ ก, ก็กินไอ้คนนั้นถูกฆ่าตายไอ้คนที่ไม่ได้ถูกฆ่าตายนี่แหละ ก็อาสาที่จะนำเรื่องเหล่านี้ไปบอกนา บ, บิยูซุปเอาออกไปแสดงว่านา บ, บิยูซุปอยู่ไกลอยู่ในหัวเมืองอื่นก็อาสาไปบอกสรุปเลดีกว่าว่าความฝันครั้งนี้ทำนายได้ว่าน บ, บีซุปทานายว่างวัวตัวเมียอ้วนเจ็ดตัวถูกวัวผอมกินพูดถึงว่าต่อไปเศรษฐกิจและการพาอปลูกของชาวเมืองจะไดครับ ที่มีความรุ่งเรืองอยู่เนี่ยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอะไรความแรงจะมาครอบงำสิ้กี่ปีเจ็ดปีนะงั้นเวลาปลูกข้าวได้ไรยได้ก็ต้องัาพยายามสต็อกเก็บข้าวบางส่วนไว้แล้วก็บางส่วนก็เอามาใช้เท่าที่จำเป็นผมนึกถึงกรณีอะไรครับไอไอกรณี IMF MM ใช่ไหม นี่คือการการทํานายฝันของท่านอบดุลซุบะไลสลามงนั้นปัญหาความแห้งแล้งจะเกิดขึ้นตอนนี้นบดุลซุ บ, บแนะนําว่าวิธีการที่จะเก็บข้าวให้ดีที่สุดคืออะไรปล่อยข้าวให้อยู่กับรวงข้าวอย่าไปอย่าไปนวดข้าวอย่าไปฟัดข้าวให้มันอยู่ในรวงมันจะเก็บความชื้นได้นานและจะอยู่ได้นานจําเป็นก็เอามากินท่าที่จําเป็นอาจจะเอามาฟาดและกะทิเแล้วก็ตำหรืออะไรก็แล้วแต่เอาเม็ดออกเอาเปลือกออก เอาเท่าที่จำเป็นนั่นคือไยกำลังบอกถึงวิธีการถนอมอาหารแบบที่นายบิลซูบ บ, บอกและทฤษฎีนี้นะความจริงข้อนี้มันเป็นความจริงอะไรล่ะมันเป็นความจริงที่เมื่อเราโดคนคดีไอเเนี่ยมหาเดซึ่งเป็นนายกในมาเลเซียบอกว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับโลก จะเกิดขึ้นภายใน7ปีแล้วก็จะหลุดความยุ่งยากต่างๆเหล่านี้เอาเหตุการณ์ของระ บ, บียูซุปมาเป็นเป็นมาเป็นข้ออธิบายเชิงเปรียบเทียบงั้นวิกฤตความรุ่งโรด จ, จะขึ้น7ปีแล้วมันก็จะลงเจปีงั้นในความสมบูรณ์ต้องต่อเตรียมความพร้อมที่จะรักษาความรุ่งโรดของเราอาหารการกินและความรุ่งเรืองรักษาไว้และอีก7ปีก็ มันก็จะมันจะจะเรื่อนต่อไปนี่นี่คืออะไรนี่คือบทเรียนจากบทสรุปก่อนจากเรื่องราวที่แนะนํากับพี่น้องในวันนี้เพราะฉะนั้นกษัตริย์จะบอกว่าโอ้คุณนางทั้งหลายเอ๋ยจงอธิบายแก่ฉันในการฝันของฉันนี้หากพวกท่านเป็นผู้ทํานายฝันได้คือรู้การทํานายเดบิวซูปรู้การทํานายจริงๆแต่เรารู้การทํานายแบบ สถิติเราไม่รู้จริงเพราะนั่นเป็นรุยาทำนายฝันที่อัลลอให้กับนบีอุสุบเรานี่จะรู้ตามสถิติซึ่งไม่ได้เป็นตัวกำหนดความแน่นอนนะเราอาจจะฝันผมเคยบอกกับน้องฝันว่างูกัดเออจะมีคนมาขอแต่งงานบางคนใจร้องแม้มน่าจะกัดเป็นฝูงเลยจะได้มาแต่งงานเร็วหน่อยใช่ไหมบางคนฝันเห็นปลาจะมีลิกีดี เพียงแปะเป็นสถิติที่เราสัมผัสได้เท่านั้นแต่ว่าความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นอาจจะเป็นบ้างหรืออะไรบ้างก็เป็นสถิติอ่านั่นนั่นคือคื อ, อไรเพราะเพราะเรานเราไม่รู้สิ่งที่เล่นลับแต่เราเนะ่ะยุมีนูนบินร้อยเรารู้สิ่งที่เป็นความเล่นลับเรารเรารู้ไหมไม่รู้แต่พอเราเราได้ว่าถ้าเสียดเสียดตรงนี้แสดงว่าท้องจะเสียถ้ามีลมแน่นๆ แ, แสดงว่า มีท้องแน่นแน่ะรอกมีลมในท้องเราเราประมาณการได้พอพอประมาณได้นะแล้วก็เราอาจจะกินยาเพื่เคี้ยวยาเพื่อเพื่ออะไรให้มันหายลมออกมาเราก็พอจะประมาณการได้จากโรคราที่เราเป็นอยู่ไม่ใช่ไม่รู้เลยแต่ว่าเราพอประเมินสถานการณ์ได้ว่าเรากาลังเจออะไรอยู่ปวดปวดหัวนี่จะปวดหัวาจจกินยาบางทีก็ะตรงมั่งไม่ตรงมั่งกันแล้วแต่แต่ทั้งหมดนั้นเวลาวิกฤตเกิดขึ้น อิามาริตุฟะฮูยัชฟนเวลาฉันป่วยเราต้องยกเกินนะฟะฮู ว, ว่าอัลลอฮ์นั้นยัชฟีนให้ฉันหายจากโรคไม่ใช่ยาอัลลอ์ให้หายแต่ยาเป็นสา บ, บยาเป็นสา บ, บยาเป็นส่วนที่จะมีส่วนที่จะทำลายเชื้อโรคได้แต่หายจริงๆอัลลอ์เป็นผู้ให้หายถ้ายาเป็นผู้ให้หายอำนาจของมันอยู่ที่ยาแล้วเนี่ยคนเป็นมะเร็ง ฉีดคิโม่ยี่สิบเข็มบางคนหายแต่มาเรี้งเช่นเดียวกันฉีดคิโม่สามสิบไม่หายถ้าอํานาจอยู่ที่ยาต้องหายแต่อํานาจนี้อยู่ที่อัลลอฮ์สุมาตาลาเราต้องเราต้องถึงอัลลอฮ์นะเราอย่าหยุดตรงกลางที่ถึงอัลลอฮ์ก็ไม่ใช่ไม่ได้ต้องถึงอัลลอฮ์เลยอิดามะริตุฟาอูยาสฟินเรากินอาหารอิม่มอัลลอฮ์ให้อิม่มเคยกินแล้วไม่อิม่มมีไหม กินกินอุตส่าห์มันไม่อิ่มไว้มันไม่มันมั น, มนอกแห้งมันไม่อิ่มทางตนที่เรากินเพราะฉะนั้นความอิ่มไม่ใช่ฤทธิ์ของอาหารแต่อัลลอฮ์จะให้เราอิ่มหรือให้หิวอยู่ที่อัลลอฮ์สุต阿拉นี่เราต้องถึงจุดนี้เพราะผมจะใช้คําพูดอยู่เสมอว่าเราต้องพยายามเชื่อมต่อชีวิตเรากับคําสั่งของอัลลอฮ์เราจะได้ไม่หลุดจากวงจรของอิอสลาม เวลามีจันตะาตทำลายของเราแล้วมาสุนัขจันตะาแต่อีสิ่งหนึ่งที่ไม่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็คิดว่ามันอะไจันตคาตใครใครบางใครนะดวดวงอาทิตย์ฮะดวอาทิตย์บางดวงจันทร์ก็พยายามอะไรตีกองตีกต็มังยิงปืนเพื่ออะไรเพื่อให้ดวงอาทิตย์มันคลายถามดวงทิตย์มีหูเปล่าไม่มีมันไม่รู้เรื่อง แต่ว่ามันมาบดบางการเพราะการโคจรอของโลกใครกําหนดการโคจรอของโลกอลัลลอฮ์กาหนดการโคจรอของโลกระบบแสงระบบเสียงระบบไฟฟ้าต่างๆที่อยู่บนโลกอลัลละฮ์เป็นผู้กําหนดทั้งหมดใครกำหนดได้ดูทีวีบ่ายเมื่อวันเมื่อหลายวันก่อนที่ว่าคนจีนหรือไรมีประจุฟไฟฟ้าในตัวมันจับสายไฟสองขั้วแล้วเอาไปไปอะไรครับ ไปผูกกับกา ร, รน้ําร้อนมันมันบีบยังไงไม่อรูสายไฟน้ําร้อนเดือดพลังสะสมพลังพลังไฟฟ้าที่ที่สะสมในร่างกายอะ่ะมันฝึกได้พวกเรามีพลังไฟฟ้าไหมมีแต่ว่ามันจะมีระดับไหนอีกเรื่องหนึ่งมีทุกคนแหละพลังไฟฟ้ามีอะไรจะมีอัลลลอฮ์ให้มาแต่ว่าจะใช้งานได้ได้แบบระบบใหญ่ใอะ่ะมันมีเฉพาะคนบางคนเท่านั้นนะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ระบบมา ผมเคยบอกกับพี่น้องต่อย้ำอีกครั้งนะว่าวันนั้นผมดูทีวีเขาพูดถึงเรื่องดาราศาสตร์แต่ผู้เชี่ยวชาญดาราศาสตร์ที่ไม่ใช่มุสลิมเขาให้ข้อสรุปว่าต่อไปดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศ ต, ตะวันตกเขาทึ่งว่ามันเป็นได้ยังไงตอนนี้ดวงอาทิตย์เนโครจรโลกมันจะเอียงขนาดไหนเขาว่าตามดาราศาสตร์ศาสตร์ของดวงดาวที่อัลลอฮ์ให้มาแล้วมีบทสรุปแบบที่อัลลอฮ์บอกเราว่า ใกล้ๆเกียามาดวงที่จะขึ้นทางทิศตะวันตกแกนล้ออือแกลก้อ่ม า, มมามันจะเปลี่ยนยังไงเนี่ยนะมันมันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันจะเปลี่ยนกอนก่นี้เราตื่นเต้นใช่ไหมเขาบอกกุฎอ่านถูกลบทจริงมันถูกลบเพราะอะไรรงพิมมันไม่ได้มันมันพิ ม, มไม่ครบแต่กุฎอ่านถูกลบกในในัยยะของเราคือลบออกไปจากความทรงจําของเราและการปฏิบัติตามกุฎอา่าน วันนี้กูอานกี่อายะที่ถูกลบไปจากตัวเราเพราะเราต้องขับเคลื่อนชีวิตด้วยการอัานกุรานนะไม่ใช่คําสั่งอื่นนะคําสั่งอื่นมีมาแต่ขัดแย่ตัออันกุรานต้องเอาอันกุรานเป็นหลักไม่ได้อาคำพูดมนุษย์เป็นหลักแต่จำไว้เราต้องขับเคลื่อนชีวิตด้วยอันกุรานวันนี้ถึงต้องอ่านต้องเรียนและทําความเข้าใจเราอ่านกันมาเยอะแล้ว แต่ชีวิตถูกกี่ฮารักัตกี่ฮารักัตแต่ไม่รู้ว่ากุลอ่านสอนอะไรไม่รู้ไม่รู้ว่ า, วานสอนอะไรนั่นคือการเสียดายโอกาสที่เราเรียนอังกุรอ่านเอาละระดับหนึ่งดีอ่านได้ อ, อ่านไพเราะอ่านกุลนาดีอะไรดีอ่านได้แต่ว่าไม่รู้ว่าอัลลอฮ์สอนอะไรนะไม่รู้ว่าอัลอสอนอะไรผมเคยบอกกับพี่น้องเมื่อครั้งที่แล้วว่าแค่บิสมิลลาตัวเดียวเนี่ยเป็นตัวกําหนดชีวิตเลยวะ่ะ เราจะทําอะไรเราต้องกล่าวน้าําอัลอบิสมิลลาห์หรือบิสมิลลาห์ราะห์มานีราะห์ิมนั่นมีนยัยยะว่าสิ่งที่เราทํานั้นต้องเป็นขอฮะลาห์ฮะรอมไม่ได้จะกินอะไรเนี่ยบิสมิลลาห์จะดื่มน้ําบิสมิลลาห์สุนนะนบีมากํากับเลยต้องหยิบน้ําด้วยกับมือขวาหยิบแก้วน้ำมาด้หยิ บ, บน้ำหยิบแก้วน้ำโดยมือขวามือซ้ายดื่มได้ไหมได้แต่เราได้รับความอิ่มแค่ดับกระหายในโลกดุนยาอาคิรอดได้บุญไหม ไม่ได้เพราะไม่แต่ไปที่บัตรตามแบบท่านในวิมสลสรรสลัมงั้นก็หยิบแก้วน้ำด้วยมือขวาก่อนดื่มก็กล่าวนามอัลลอฮฺดื่มก็สักสามอึกแล้วก็หยุดดื่มแล้วก็ค่อยดืมม่มใหม่ย่ารวดเดียวหนึ่งแกลลอนเลยตายเราไม่ใช่อูดนะอยากกินแบบอูดฟังค่อยดีนะบ้านดาวถ้าบอกกินแบบควายมัย่งกูว่ากูไง เราไม่ได้ถ้าว่าควายนี่โมโหไอ้ลาเพราะว่าควายเฉยๆถ้าว่าลามโหนะดูเลยถ้าว่าไอ้ลาเงี้มโหถ้าเราใครว่าเราไอ้ลาเออเดี๋ยวค่อยลาก็ได้เราก็เด้งนะแถลไปเรื่อยลราเป็นคนไทยชอบแผลนะลาเพราะอะไรคนที่รู้มีอันมีคำพิย่เยอะแต่ว่าไม่ได้เอาทําสั่งเขาเล่ามาไปดิบัเลเราบอกไง กรรมสลหไมาหริอมีอัสฟารอเหมือนลาที่แบกคำพีตำราเต็มไหลเลยแต่เอาตำราเหล่านั้นมาปฏิบัติเป็นรูปธรรมหรือเปล่าเปล่าหนึ่งไม่รู้สองอ่านไม่เป็นสามแปลไม่เป็นเนี่ยเหมือนลาถ้าบ้านเราก็บอกควายแต่ควายเงี้ยหัว ม, ห, ว ม, ห, วมหนณดูเลยไอ้รับไอ้ควายเอ๊ะทำ ไ, ได้เลยล ะ, <c oughs> น, ะนั่นนั่นคือความต่าง นั่นคือความตายเนี่ยเห็นไหมนิดนึงเนี่ยให้มันได้รับผลบุญจากคำสั่งของนะบีที่ผมใช้คำพูดตรงนี้เลยเราต้องยึดโยงคำสั่งของนาบีเป็นหลักในการขับเคลื่อนชีวิตของเราชีวิตต้องขับเคลื่อนอย่าอยู่เฉยเฉยคนที่อยู่เฉยนิ่งตลอดคือคนได้ตายคนตายนิ่งตลอดถ้าคนตายไม่นิ่งยุ่งอะวิ่งกันตาเหลือกตายก็ตายจริง นี่นี่ชีวิตเรานะเพราะฉะนั้นก็รู้พวกเขากล่าวว่าเป็นการฝันที่สับสนและพวกเราไม่ใช่ผู้รู้ในการทำนายฝันไม่รู้บอกไม่รู้ไม่รู้อย่าบอกว่ารู้มีปัญหาถ้าเราไม่รู้บอกไม่รู้เขาก็จะเอาความสงสัยไปถามคนที่มีความรู้ งัลับีทีบอกว่าเมื่ออามานะมอบให้กับคนที่ไม่มีความสันทัดแล้วฟันตาซิริสาให้รอคอยกิ亚มตซะเท่าไรอัลฮะลาความพินาศเราไม่เป็นเรื่องไฟฟ้าไปต่อเลยไม่เป็นไรไฟบ้านเราสายไฟบรรเทาหลอดไฟบรรเราจับขั้วไหนบวกกับขั้วไหนมาดูนูน่นควันออกก้นเลยเออใช่ไหมเอ้า เอานบีมาต่อเรือ <c oughs> คนเยอะเยอะนบีนู่นว <c oughs> อะไรอะ่ะเอาไม้มาจะมาต่อเรือต่อเรือทําไมอยู่บนภูเขาอ่ะน้ําก็ยังไม่มีแต่ลาบีนู่นมาต่อเรือ <c oughs> คนไม่รู้อนาคตเจะร อ, อสั่งนบีนู่น ว, ว่าให้ต่อเรือ <c oughs> เพราะน้ํามันจะท่วมโลกนาบีนู่นรู้มาก่อนเตรียมการต่อเรือ <c oughs> น่ะ คนที่มาศรัทธาอุ้ยจะบ้าแล้งก็แรงจะตตเรือนั้นไปอยู่บนภูเขาอีกใช่ไหแต่นบีนัวกาลังจะได้รับคําสั่งของลอ้อว่ะให้คนที่ศรัทธาต่อล้อขึ้นอยู่มาบนเรือมาอยู่บนเรือถ้าศรัทธาอยู่บนเรือจะได้รับความปลอดภยัยถ้ามาศรัทธาไม่ขึ้นแต่คนไม่ศรัทธามันก็มีความแน่วแน่ความเชื่อมัน่นลูกไม่ศรัทธาพ่อเรียกใครขึ้นเรือพูดพ่อนะ ดับเบยนวัวพูดกับลูกพ่อยาบูไนอะโอ้ลูกที่รักของฉันอิรกรรมมาอาณาได้โปรดขึ้นมาอยู่บนเรือพร้อมกับฉันด้วยเถิดจะได้รับความปลอดภัยอะถ้าศรัทธาอยู่บนเรือปลอดภัยแนะ่น้ํามาเรือก็ลอยน้ํามาเรือก็ลอยน้ําแห้งเรือกอ็ลดเขาว่าอยู่บนภูเขาอยู่ดีไรแถวอิตาลีหรือที่ไหนอ่ะตุรกีตุรกีรกแับไปนั่นแต่ลูกไม่ยอมขึ้นไง พราการเรียกของพ่อที่เป็นคําสั่งของล้อลูกไม่เชื่อลูกฮะคนที่คนสมัยนั้นคือมีรู้นี่คือปรกฏการณ์าต่อก็ใช่ถ้าถ้าจะคิดอย่างนั้นก็ใช่ ค, คิดอย่างนั้นก็ใช่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นคนแรกที่ต่อเรือคนที่ยเยอะเย้ยไงคนที่ยเยอะเย้ยแต่นี้ประเด็นหนึ่งที่ได้รับตรงนี้ก็คือว่า เวลาไม่เชื่อพ่อที่เป็นนบีมาบอกอิสลามคนท่านหลุดจากความเชื่อนอัลลอฮ์จะไปเชื่อวัตถุจะไปเชื่อวัตถุลูกตอบกับพ่อว่าไงนะสะาวีลาลญะบานิยาซิมูนีมินัลมาสาวีลาลญะบานิยาซิมูนีมินัลมาฉันจ ะ, ะอาศัยอยู่บนยอดเขาข้างหน้านู้นที่หวังว่ายอดเขาจะทำให้ฉันพ้นจากการจมน้ำตาย แสดงว่าไงเวลาไม่เชื่ออัลลอฮ์ต้องเชื่อวัตถุมันก็กลายเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์กําหนดขึ้นว่ามันศักดิ์สิทธิ์แต่มันรู้เรื่องไหมไม่รู้ภูเขามันไม่รู้หรอกแต่มนุษย์กําหนดให้เป็นพระเจ้าก้อนหินมันไม่รู้แต่ถูกกาหนดให้เป็นพระเจ้าตะกุดไม่รู้แต่ถูกกาหนดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันไม่รู้ถ้ามันพูดได้นะจริงๆมันน่าจะมีฤทธิ์ทําให้คันพุงนะถ้าราวาเน่นะ แขวนตะกูลมันคันพุงเลือดเนื้อมีหนองออกมันจะได้รู้สึกมันก็ไปรักษาอีกพอหนองหายก็แขวนตะกูลอีกนี่คนถ้าไม่เชื่อหลลอกจะเชื่ออำนาจของวัตถุวันนี้เขาบอกว่าเขาพูดกันว่ามีเหล็กอะไรแต่อะไรที่มันเป็นเหล็กอะไรที่จะทําให้ช่วยรักษาโรคได้อะไรได้แต่สรุปแล้วเป็นการหลอก เขาสรุปให้ฟังเราเป็นการหลอกรักษาตรงนู้นได้จะดูดสารพิษออกจากร่างกายจะอะไรตอนนี้อะไรนะสรุปแล้วว่าหลอกงนานตะใครขายอย่าไปซื้อเสร็จแล้วเป็นหมื่นแปดพันห้าพันใส่มีนะเขาสรุปมาว่าอย่าไปซื้อเนี่ยพอซื้อละอันตรายเลยอุย้ยถ้าไม่มีตะกุดนี่นะกูแย่อลอดหายทันที เขางเราไม่มีอะระหว่างเราเหรใจถึงใจควา ม, มวิงวอนต่อล่อซาตานโดยตลอดไม่เกี่ยวกับใครแต่มนุษย์มีประสบการณ์อาจจะคนนี้เบาหวานกินนี่เบากินนี่เบากินนี่บากินนี่ก็ว่ากันไปแล้วมันถูกของแต่ละคนไม่จะถูกคนทั่วไปหรอกคนนี้ก็อย่างนี้คขาเชั่ออีคนนี้กินแบบนี้คขาเชั่วมันไม่แน่แล้วก็พยายามรักษาเพราะอะไร สิ่งที่เราสร้างมาเป็นประโยชน์สําหรับพวกเราแต่เรารู้ประโยชน์รู้จักประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นหรือไม่มันอยู่ที่เราเรียนรู้แล้วก็เก็บสถิติเหล่านั้นมาก็มากินมารักษากันแต่ท้ายสุดขออุดมอาร์ตออลลอฮฺอาออสลุลลอฮฺนะดีมอับบานอัลซินอินอีมอายาสฟียนีมินัสกอมันอัมรอดขอลร้องให้พ้นจากโรคร้ายที่เราเป็นอยู่เนี่ยขอต่ออัลลอฮฺเราไปเยี่ยมเขาก็อัลลอฮฺยาสฟิอัลลอฮฺายาส ฟ, อลลาาฟิอย่าไปเยี่ยมนาน อย่าไปเยี่ยงนานไปก็ขอดูอายเขาไปถามว่าเอา้าจําฉันได้ไหมนี่กับมือน่อนที่บ้านฉันอยู่ข้างบ้านนี้อ่ะที่ตอนนั้นน่ะนี่หุงข้าวฉันไม่มีข้าวฉันไม่ขอนี่กินนี่ก็มึนไม่ต้องเป็นทวนความจําตอนไปเยี่ยมไปเยี่ยมแล้วขอดูอาให้นี่ไปถามอะไรก็ไม่รู้พอเขาไม่ตอบแม้มัน ยิงนะขนาดเจ็บแลวยิงๆเลยกูถามมันยังไม่ตอบอีกอ่ะอมันไม่ใช่เวลากูอยู่มึนอยู่มาถามก็อยู่ได้ไม่ไล่กับกับบุล้ะ <c oughs> งั้นน่นพี่บอกไปเยี่ยมขอดูอาให้อย่าไปนานอย่าไปถามประวัติชีวิตอย่าไปถามให้เขาจำหน้าเรา บอกให้เข้าว่าเลยไล่ล่อดีกว่าจำกระรีม่อตรงนั้นดีกว่าจำหน้าเรามันทําให้พ้นนรกมาไรา ย, ยิ่งเห็นยิ่งกุ้ม <c oughs> อ่างั้นอย่าถามมีญาติบ่มคนกลจะตายแล้วมันถามมาะมันเม่อม่แต่ลงเส้นท้องเส้นสุดท้ายน่ะให้ใครฉันลืมไปแล้วลอลอเม่อกำลังกระเดือกวุญญาณจะถึงเลือด ก, กระเดือกก็ตายไปก็แบ่งตามกฎมรดกไปก็หมดเรื่องไปเนี่ยกระแสกกระแทกจะไม่เอาคนเดียวสิ อะไรกันนักหนามีคนเบื่อทองคำ <c oughs> ผมไออะไรกันไปรูกมีคนเบื่อทองคำเขาเล่าให้ฟังคนเนี้ยซื้อทองเก็บไว้พันบาทแล้วก็ขายส่วนหนึ่งไปทำอพาร์ตเมนต์อยู่ตรงไหนมีที่อยู่บนแผ่นดินนี้เขาไม่อยากบอกแต่ใส่ใส่ไปก็ได้ยินทีเอ v มทีวบอกว่าพี่น้อง ต้องสะละสิ่งที่เรารักไปในหนทางของอเลาะเก็บไว้ก็เท่านั้นแหละเราต้องทําให้กับตัวเองก่อนส่วนหนึ่งก็เป็นไรสาหรับตัวเองส่วนหนึ่งสําหรับสังคมเสนอสะระการลงทุนระบบทรัพย์ของเรานี่คนนี้ตัดสินใจบริจาคทองด้วยแหวนด้วยอะไรก็ไม่รู้เรียกไม่ถูกน่ากลัวจะไหลตังค์ไหลเส้นแล้วเราก็คิดที่จะให้เขามาให้ใครมาประมูล ว่จะให้หมดเนี่ยยกกองเลยเท่าไรถ้าไปบอกทีละเส้นนี่ก็ว่าฉันดูแล้วนะเส้นนี้นะถ้าให้คนอื่นฉันโกรธนะอ้าจะเป็นเรื่องฉันชอบเส้นนี้นะอย่าให้ใครนะถ้าให้คนอื่นฉันโกรธนะอาร์โล่ก่อจะขายทองหมดมันมีใครชอบทีเอ็มเลยโกรเกียดหมดเลยคิดว่าอา้าวใครจะเอาไปประมูลเอาเท่าไหรก็ให้มาก็มาดูแลเด็กกำพร้าคนยากจนแล้วก็ส่งนักศึกษาที่เรียนต่างประเทศมีคนให้มา แต่อะไรก็ไม่พ้นคำสอนของนบีที่นบีบอกกุลูซีเนี่ยมาตุนมักซูดุนกุลูซีเนี่ยมาตินมักซูดุนทุกสิ่งที่เป็นเนี้อมัที่เราได้มาจะต้องถูกอิจฉาก็มีคนอิจฉาเบ็ดเสร็จเรียบร้อยก็ว่าไปแต่ก็ว่าไปเราห้ามใจใครไม่ได้หยุดยั้งความรู้สึกของใครไม่ได้แต่อิสลามจะหยุดความรู้สึกด้วยอีมานที่เขามีตอ่อเราก็ไม่รู้จะได้เท่าไหร่ เพราะ่อ็มเนี่ยมันได้ผิดพลาดเรื่องการบริหารเรื่องบุตรเรบะางแต่ไม่ใช่โตคูทามีผู้บริหารอยู่ตอนหลังก็เป็นที่เกรดชังของพี่นอ้องแต่ระยะเวลาผ่านไปเขาเข้าใจว่าเราไม่ได้ผิดผู้บริหารตั้งหากที่ทำไม่ประสบความสำเร็จก็ก็ไม่ว่ากันแล้วเขาก็ต้องการที่จะใช้นี่ใช้สินอยู่ ก, ก็ว่าไปนี่ น, นี่นี่คือวิกฤตที่มันเกิดขึ้น กอ น, นิสลามทั่วไปนี่แหละหก็ได้สิเพราะนักเรียนเราอ๋ อ, อส่วนมากนักเรียนที่เรียนถ้าเป็นตั้งครูเข้าสอนอยู่ที่นี่แต่นักเรียนที่เรียนดีๆ ก, ก็ไปนอกหมด อย่างอารฟัดเนี่ยคนอานอันดีที่ให้มาออกรายการจิตาิวิตน่ตอนนี้ก็ไปจอแดนแล้วเขาก็ต้องต้องศึกษาก่อนอก็ไม่มีถ้าครูก็เฉพาะเขาเขาก็มีหน้าที่อยู่กไปไม่ได้ทะนั้นต้อ ง, ต, องต้องไปหาพวกฮาฟิซฮาฟิซุ็อ่านจากมัสกัตเนี่ยได้คนฮาฟิซเยอะแต่ว่าจะแปลได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งได้ได้ พวกพวกคาฟิตเนะี่ยได้นะต้องยังไม่รู้จักใครแต่ที่ไปที่มัตสกัตมัสกัตมินบุรีสายของดินนะั่นะแหละมีเยอะนะมีคนอ่านก็นอ่านได้คล่องด้วย <c oughs> อ้าวก็เรื่องทำนายฝันก็พูดโดย ร, มรวมๆนะเออตอนนี้เวลากษัตริย์เนี่ยพูดแบบนี้เอคนหนึ่งที่รอดพ้น คือคนริ่นเล่าที่ฝันมานาบีว่าเออนบีอูซุบบอกคนนี้ยรอดพน้นแต่อีกคนนึงไม่รอดเด็คนที่ว่าฝันว่าแบขนมปังไว้บนศีรษะแล้วก็นกเขมากินเนี่ยคนนี้ไม่รอดพ้นถูกประหารแต่คนที่ฝันว่าไงคนที่ฝันว่าริ่นเล่าให้กษัตริย์จริงเนี่ยก็บอกกษัตริย์ว่าบอกกษัตริย์ว่าไงทรงฉันไปสิ คือส่งชันเนี่ยไปหาลาบียูซุปไอ้ตรงนี้ละอุณมามะอธิบายว่าแสดงว่านบียูซุปยังอยู่นอกเมืองไม่ได้อยู่ที่ในวังนะตอนนี้อยู่หน้ามันก็จ ะ, จะต้องจะต้องไปหาลาบียูซุปนอกเมืองซะก่อนเพื่อ น, นะบอกละบียูซุปให้รู้ว่าเป็นอย่างเงี้ยฝันว่าอะไรหัวอ้วนเจ็ดตัวหัวอ้วนเจ็ดตัวถูกหัวผอมกินอะไรเนี่ยข้าวเขียวเจ็ดรวงถูรวงข้าวแห้งเจ็ดรวงรัด รัดมันเนี่ยก็จะได้จะได้ทํานายถูกแต่ตอนหลังการทํานายก็อบยซุสก็ได้ทำนายให้รู้ว่านั่นคือวิกฤตที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นไอตอนที่มีอยู่ก็ค่อยๆเก็บค่อยๆกินแต่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือว่าสอนถึง ว, วิธีการถนอมอาหารนะเราก็ถนอมอาหารโดยการใส่ตู้เย็นหรือตากแ้ง สมัยที่เราเราที่มีมีปลามีอะไรแล้วก็ทําไปเค็มตาแข้งอมีหัวปลากับตาแข้งแขวนไว้ตรงเหนือเตาไฟมันก็ถูกลมจากควันไฟมีหัวหอมีกระเทียมกับตาแข้งไว้ตรงนั้นแล้วก็จะอยู่ได้นานก็ควันไฟจากจากจากเตาน่ะมันจะทําให้ท่านน้องาหารได้นานอันนั้นก็มีเป็นวิธีการรุ่นของเราสมัยก่อนใช่ไหมทําลาเค็มแล้วยังเอาหัวไปลเค็มตาแข้งแล้วแขวนไว้อีกเคยปะ แล้ววันหนึ่งร้านหนึ่งก็มาต้มต้มหัวปลากินแกงส้มอะไรๆคนเงินก่อ น, อ น, อนทำด้วยละแต่ว่าอาหารไม่เป็นพิษไม่มีสารพิษที่อยู่ในอาหารเพราะเป็นธรรมชาติที่เราใช้ชีวิตยอยู่กับความบรยสุดของอาหารไม่เหมือนทุกวันนี้อ่าทุกวันนี้มีลูกสาวผมเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนนึงมีลูกศิษย์เอาผักมาขายบอกอาจารย์ช่วยซื้อหน่อยอาจารย์บอกฉันไม่ซื้อเราเพอซื้อมีมีอยู่แล้วเธอก็เอาผักนี้ไปให้ให้แพะให่งัวกินสิ ว่าจ้า์งัวผมก็ตายหมดสิเอ้าแล้วเธอให้ครูกินซื้อกินแล้วครูไม่ตายเด็กก็บอกก็ไม่เป็นไรเนี่ยสแสดงว่าไงมันมีสารพิษฉีดเต็มไปหมดวันนี้เราถึงเป็นโรคกันเยอะเราเป็นโรคกันเยอะงั้นที่ดีแล้วนะเอลาอให้แผ่นดินมาเพื่อให้พืชงอกงามเน่ยเราเก็บประโยชน์จากนั้นเป็นพืชกระถางก็ได้เนี่มีญาติผมคนมีบ้านตึกสามชัน้นชั้นสุดท้ายเลยตเต็มไปด้วยดิน มีของกินทุกอย่างอยู่บนดาดฟ้าจะเอาอะไรล่ะขึ้นดาดฟ้ามีอาหารกินหมดไม่ต้องซื้อเสวนดาดฟ้าสวนกเกษตรเราทําได้เราก็จะได้กินอาหารที่บริสุทธิ์เพราะเดี๋ยวนี้ไว้ใจไม่ได้สวยงามดีปลาเอ้ยกุ้งเอ้ยดูตัวใส่นะสารพิษทั้งนั้นนะสารพิษทั้งนั้นก่อนๆเราไม่มีสารพิษเดี๋ยวนี้อร่อยกู๊ดกอบ ก, กับ ก, กับเป็นสารพิษทั้งนั้นเราก็ต้องอะไร กูอัาฟุตสะกุมเราต้องมารักษาตัวเองให้สุขภาพสมบูรณ์เราจะได้อิบาด้าต่อนเหรอเพราะอิบาด้าของเรามีมีหลายแบบแบบอดมีแบบกินมีแบบประหยัดมีแบบเผือแผ่มีไอแบบไม่ให้ใครเลยไม่มีเอแบบไม่ให้ใครเลยไม่มีต้องต้องเจือจันแบ่งปันกันแต่อย่าใช้เล่พอเดินบวชใช้เล่เลยต้มสุขเขียวหม้อนึ่งแจกบ้านนี้ถ้วยหนึ่งอาด่ายแกงมา แจกวันนี้ถ้วยหนึ่งได้น้ำพริกมาแจกวันนี้ถ้วยได้น้ำยามาตกลงแจกสิบบ้านกับข้าวกินไปสองวันอย่าคิดแบบนั้นเราต้องแจกเขาลิ้นละไม่ได้แลกนะอย่าแลกแจกเพื่อลิ้นละเพื่อเป็นอาหารได้อิทอามุตาอามให้หาที่คนถือศินอดเราจะได้รับผลบุญเหมือนกับที่เขาถือนั้นเขาจึงว่าเขาถึงจ้องที่จะได้ทำบุญแก้สินอดแก้บวชละศินอด น, นี่ก็เท่าเท่ออไรเขาได้รับผลบุญจากการที่คนบวชได้เท่าไรเราได้เท่านั้นด้วยนี่บางคนหัวดีหัวดีแบบเซตันไงงั้นฉันไม่ต้องบวชหรอกรอทําบุญแก้บวชมันได้เท่าไรฉันก็ได้ด้วยคนนุ่นได้เท่าไรฉันก็ได้ด้วยใช้ลงทุนหน่อยถ้าไปคิดแบบนี้นะอันล้อว่าไงว่ามาการู้ว่ามาการ อ, อวันลอคอยรุ่นมากรินไอพวกนี้มันเล่นเชิงกับอันล้อ อัลลอฮ์บอกว่ากู้เชิงเหนือกับมึงภาษาบ้านๆ <g ül> กู้มีเชิงเหนือกับมึงงั้นยางั้นอยา่างั้นสิ่งที่เราทํำคือลินละลินละเพื่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์เราก็ดูฐานะของเราแต่งานลูกสาวเพื่ออัลลอฮ์เราไม่มีเงินจาะเลี้ยงอาหารก็จะบ่าวเจ้าสาวพยานผููปกครองนีกาได้แล้ว ไม่เปลืองที่เราต้องเปลืองเพราะสังคมมันมากำหนดเรามันบังคับเราให้เทำตามมันที่เราแย่ทีมการรอยหนึ่งโอ้ยร้อยน่นิดหน่อยเนเอาอีกรอยหนึ่งโอ้ยนั่มันก็ไม่ทั่วเอาอีกร้อยหนึ่งเอาสามร้อยแล้วเท่าไรแล้วเนะ่ะใช่ไหมการตังสามรอยคนเท่าไหร่เด้๋ยวนี้คนหัวหมอมันมากินกันผมเคยบอกของจริง มันเอาลูกเอาเมียมากินสี่วันใส่ซองยี่สิบพอฉีกซองมาเกือบไงท้องมากินสี่วันวันเริ่มอีสองวันทำสองอีวันเลี้ยงอีกวันล้างถ้วยล้างจานขนแกงไว้บ้านจำไว้เลยไอ้นี่ให้ฉีกมุมซองวลยยัดกระเป๋าไปเปิดดูสี่สิบบาท กินตั้งสามสี่วันนีเราคิดว่าเราคิดว่าเราจะได้ทุนคืนจากการเลี้ยงอาหารแต่เราคิดว่าลิ้นแล้วทำลิ้นแล้วเราไหวแค่นี้ลิ้นแล้วทำแล้วใครจะว่าปล่อยว่าไปมันว่ามาบุญไม่ให้เราว่าบุญไม่ให้เราว่าบุญไม่ให้เราเราไม่เหนื่อยด้วยไม่เป็นหนี้ด้วยแต่เราไม่ทําคนก่อ น, นพอได้มีวัวมีควายเยอะทํานางัวควายตั้งสี่ห้าตัวงัวแก่ควายแก่เชื่อนมาทําบุญเลี้ยงญาติเอาว่าไป แต่นี่วัวมีเวลาต้องไปชื่อเขาวควายก็ไม่มีมีเจ้าของบ้านเป็นควายเชือดกินก็นไม่ได้เอาสบายสบามันเยอะมันไม่ใช่อิสลามเข้าวมาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเยอะแห่ไปเราเอาไปมีโกนวางบนหญ้าต้องให้ท่าค่อยๆเย็ยยบอาลาวมันเอาว่าคนฝังขนุนมาแล้วเราก็ทําตามมัน มันอะไรมันอะไรกันนักหนาเอาแบบเราไม่ได้เลงยง่ายๆหนีจะปูที่นอนต้องไปหาคนที่อยู่กันมาแล้วไม่ได้ไม่ทะเลาะ ก, กันเลยมาปูที่นอนให้ไม่ทะเลาะ ก, กันโอ้หไอสิ่งที่ไม่ใช่าสน า, วาเวลามาแทรกมาจำง่ายปูที่นอนได้ดีนะวิญญาณย่อไปแล้วเดี๋ยวกันคืนเข้ามานอนเอาปูที่นอนตึงเป๊ะเลย เอาดอกกุหลาบเอาดอกมะลิมาโรยบนเตียงยอ่อกลับมาจะได้หอมแม่แม่เมาะตายเอาทําแบบนี้นันาเม่อกลับมาเห็นยอ่อนอนแล้วใครคนใหม่ไม่อ้วกตายเด้มันไม่ใช่ไงเราคิดแบบนี้งั้นดนยานี่นะถ้าเอาดนยาแล้วอยู่รอดนะความหลงผิดก็อยู่รอดเอาแค่กินแค่อยู่แบบสัตว์นดะอ อยากกุลูนาะว้ยาตมัตตามุเอยาตมัตตาอู่เาว้ยากกุลูนะมามาัตะกุลูนอะันอามมีความสุขละกินแบบสัตว์เนะี่ยรอดขายพวกมกอะไรก็รอดขายไรก็ลอดหมดแหละล็ลอกล็อกอะไรมาขายนะรอดหมดแหละแต่ว่ารอดอาคีรอดหรือไม่ไม่ใช่รอดที่จะเป็นตัวอย่างแก่คนรอบข้างได้ไหมไม่ใช่ นี่เราต้องไรทําอะไรแล้วเป็นตัวอย่างแก่คนรอบข้างเวลาเขาเห็นมุสลิมเนี่ยเขาเกิดความเชื่อถือไปซื้อของร้านมุสลิมไม่โกงต่ชั่างไม่ปลอมปนสินค้าราคายุติธรรมไม่ชาัดราคาเนื้อต้องเป็นสีเนื้อเดี๋ยวนี้เป็นยังไงพี่น้องเนื้อพอเชื่อนานแล้วสีจะซีเอาเลือดทาดูสดดีพอแห้งดีเอาสีทาเราไม่ใช่เรือไม่ใช่ไม้จะต้องทาสี นี่ไงแล้วได้เดี๋ยวนี้ความช่วยไายมันถูกแทรกขายเนื้อด้วยแต่ปาดเข้าไม้เนื้อเจอยาบ้านี่นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นถ้าจะดูดีต้องดูไม่ใช่ว่าถูกชัดราคากินอาหารแบบบ้านๆที่เรากินกันเน่ะใช่ไหมก่อนๆ อ, ออกลูกออกมานะบีบอกปุราอ่านบอกให้กินให้นี่กินนมแม่ สองปีวันวาลิดาตยุทเดยนะเอาลาเดฮุนนะหาวิไลนกาวิละกาวิไลเนี่ยเลี้ยงลูกสองขวด บ, บริบูรณ์ให้นมแก่ลูกสารอาหารทั้งนั้นเลยแต่คนรุ่นใหม่ไม่กินกลัวนมยานกลัวอกจะยานมันจะเก็บตึงไว้ไหนนะมันของชายของสอยก็ยยอนไม่มั่งเป็นได้ไหมล่ะคนรุ่นโบราณเนี่ยสบ า, ายไม่ต้องกลัวนมยานหรอก ลูกข้างหน้ากินตรงนี้อีกคนมาข้างหลังตะวัดไปไม่เห็นเป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นนะไม่เป็นได้ลูกสามคนสี่ค น, อคนเอากินข้างล่างข้างหน้าคนกินข้างหลังคนตะวัดหน้าตะวัดหลังเป็นอะไรไปล่ะนี่เราไม่เอาแบบอิสลามแล้วก็มีใครมาพิสูจน์ว่าจะกินนมไม่ดีต้องหกเดือนแต่คุณอ่านบอก วจูรุติอาลุเขาอะไรในการไรสองขวบบริบูรณ์ดีที่สุดและช่วงนั้นหมอบอกว่าจะเป็นการคุมกำเนิดในตัวไปด้วยดมีมากไม่ต้องกินยาคุมกำเนิ ด, ดนี่นี่คือระบบเราสามีมันรักเราน่มันรักทั้งตัวแหละไม่ได้รักตรงนมอย่างเดียวหรอกนั้นต้องเข้าใจเว ล, ลามีอิสลามพูดดีให้กำลังใจดีรักตายเลย รักตายเลยถ้าดาเขาก็รักแต่สำลักความรักหนีออกจากบ้านเลยผู้ชายมันไม่เคยเถียงหรอกดาดาดาดามันมันก็ออกนอกบ้านมันเถียงไม่เป็นมันได้แค่เตะอย่างเดียวผู้ชายเน่ะดูไม่เดียวไปเลยไปจนกว่ามันจะลืมบันคนยี่สิบห้าวันจาคนยีิบเก้าวันเดือนมียี่สิบเก้าก็สามสิบวันมันไปนพูดดีๆน้าร้อนปลาเป็นน้ําเย็นปลาตายอย่าทะเลาะอย่าดาอย่าว่า ผู้หญิงบนมั่งกับผู้ชายก็ทําหูตึงๆมั่งทำเนเป็นไม่ได้ยินมั่งพอไม่ได้ยินที่ว่ามาทั้งน้นยังไม่ได้ยินนี่แหละหูตึงนักอันั้นก็ทําไม่ได้ยินหันไปทุกไม่ได้ยินนะไงที่พูดอ๋อเขาพยายามจะไม่ได้ยินมันจะได้ไม่มีเรื่องนี่ก็จะเอาเรื่องให้ได้เพราะผู้หญิงมีความละเอียดอ่อนในเรื่องอารมณ์ต้องเข้าใจผู้หญิงอ่ะอย่าไปสู้นะไม่มีชนะเราแพ้หมดแหละงั้นเราต้องไม่สู้เราจึงไม่มีคําว่าแพ้ จำไว้เราไม่สู้จะได้ไม่มีคําว่าแพ้อ่าเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องนบับดยูซุฟทําไมไหลมาสู่เรื่องสู้กันในบ้านนะผมใครด่าผมผมไม่สู้หรอกพอไปด่าเข้าสู้ไม่ได้แพ้เรื่องอะไรอ่ะไม่ทะเลาะ ก, กับใครเราไม่แพ้เฉยพูดไปมันเบื่อก็หยุดไปเองนะอย่าไปทะเลาะผู้หญิงผู้หญิงก็มีรายละเอียดเยอะเก็บรายละเอียดเยอะอ่าใช่ไหม น, น, นู่นนี่นี่นั่น เขาให้เป็นแม่บ้านไงละเอียดตรงโน้นละเอียดตรงนี้เก็บดีแต่หาไม่เจอเคยเป็นแม่เก็บเก็บเก็บดีนะ่าดูเลยเวลาจะหาของถามเราเงี้ยเราจะไปรู้เก็บตรงไหนออืเราเห็นว่าเก็บไม่เป็นที่เราก็ซ่อนต่อก็อเลยหาไม่เจอนี่นิสัยผมระวางไม่เป็นที่ดีแล้วนะสมมุตินะผมก็ซ่อนต่อ ให้เขาถามมาอยู่ตรงไหนเขาจะได้จำ <c oughs> ลูกผมก็ถามป้าพอเองหายปุ๊บมาถามผมแหละอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็น <c oughs> ซ่อนเนี่ยมันจะได้จำแล้วเราก็ลืมเลยไม่รู้อยู่ไหน <c oughs> โอ้หัวนั่นไปเรียงจานดีมีตั้งสามสี่เล่มผมซ่อนไว้หลังสวยจานตรงนั้นนะ่ะ <c oughs> จะเอามารับไม่มีเย แล้วกูซ่อนไว้ตรงไหนนึกไม่ออกอย่าซ่อนนะซ่อนแล้วนึกไม่ออกเดี๋ยวนี้นึกไม่ออกนานก็่าจะนึกออกมันไปออกตอนละมาอ่าาะอัลลอฮ์วักบัตเหนี่ยวมันมาแล้วเคยเคยไหมน้าสาตานมาบอกแล้วอัลลอฮ์วักบัตอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะพูดล่ะมีดอยู่ตรงนู้นน้าทำไมทำมือ ง, งั้นละ่ะอ้าวลืมปกํกำลังบอกมีดอยู่ตรงนู้นอัลลอฮ์ นั <laughs> ่นลมานบ่อยๆไอ้ทีเลยที่เราลืมจะนึกออกหมดแหละสาตานมันเอามาบอกมาอะไรซาตานมันมีหน้าที่อะไร <c oughs> อยู่วัสมีซูฟีซูรูรินัสทำให้หัวใจนั้นสับสนนุ่นงีงี้งันเอาไงดีอะไรถ้าไม่มีกุณอ่านเป็นหลักนะแบบนวิเป็นหลักเราปล่อยลอยตามมันแหละ ตอนนี้ยุ่งแหละลอยตามมันยุ่งแค่เราก็ต้องอะไรการอ่านอายะที่เราอ่านและรู้ความหมายมันจะช่วยเราได้เยอะอะฮัมดุลิลลาฮิรอบบิลลออเลมีนี่เป็นอะกีดนะรู้เลยเป็นอายะที่สอนความยึดมั่นที่เรามีต่อว่าอ a h เป็นรอบบุญเป็นเจ้าเราเป็นอับดุลเป็นบ่าวขอร์ที่ Allah สร้างมาหน้าที่เราคือ Allah บอก ขอม้าเขาลัดตุนยินในวันอินซาอิลาริยาบูดูนอัลลอฮ์สร้างยินและมนุษย์มาเพื่อให้อิบะดาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เอาประโยชน์ไหมเปล่าแต่เพื่อเป็นการต่อยอดความดีที่เราจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์นี่อัลฮัมดุลิลลาฮิโรบบินอาลามีนถ้าเรารู้งี้เราอ่านมันก็จะเข้าใจนีอย่างที่ว่าราะว่าบิสมิลลาเนี่ยในตอนต้นแค่ว่าบิสมิลลาปึ๊บคุมความประพฤติเลยขอใหรองไม่กินอะไรที่ว่าบิสมิลลาไม่ได้ จะไม่ทําจะไม่เอาทุกอย่างนั่นเป็นนัยยะว่าของที่เราไปเกี่ยวข้องต้องฮาลาลทั้งหมดจะซื้อหวยบิสมิลลาห์เพื่อไม่ได้ของฮารอมบานนี่เขาจะตั้งรู้ไม่เกี่ยวข้องกับความหมายที่อยู่ข้างหน้าที่ถูกตัดไปก็คือว่าถ้าเราดื่มน้ําได้บิสมิลลาห์เราว่าบิสมิลลาห์นั่นหมายความว่าเรากําลังพูดว่าฉันขอดื่มน้ําแก้วนี้ด้วยนามของอัลลอฮ์ถ้าซื้อหวยบิสมิลลาห์เท่ากังจะพูดว่าฉันขอซื้อหวยใบนี้ด้วยนามของอัลลอฮ์ ดื่มเหล้าบิสมิลลาห์ฉันขอดื่มเหล้าแก้วนี้ด้วยน้ำขออ้อนวอนเป็นยังไงตกมุดตัดไอ้ น, น้ำอ้อนวอนไปเกี่ยข้ขอกับสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงเมื่ออะไรว่าบิสมิลลาห์ไม่ได้ตรงนั่นคือสิ่งที่เราทําไม่ได้ถ้าทําต้องบิสมิลลาห์ได้นี่นี่ น, นี่คุมความประพฤติเราใช่ไหมไอย่างนี้ไม่ต้องบิสมิลลาห์หรือบิสมิลลาห์ก็ได้เพราะไม่ฮาม นี่นี่คือนี่คืออะไรอันกุรอานที่คุมประพฤติะผมยังคิดว่าเออสุกสุต่อไปจะคุณตาบ้าติคอนคิดจะเอาสุราฟาดะแต่ละอายะมามาบอกนัยยะของคําสั่งให้เราได้รับดูอ่าต่อไปก็นมียูซุปก็อันกุรอานก็บอกว่าคนนั้นก็เป็นอันในยูซุปก็มีการทํานายทายทักกันนมียูซุปผู้สื่อสัตา์เอ๋ยจงอธิบายแก่เราถึงเรื่องวัวตัวเมีย อ้วนเจ็ดตัวถูกวัวตัวผอมกินกินมันและรวงข้าวเจ็ดรวงถูกรวงข้าวแห้งเจ็ดรวงรัดมันหวังว่าฉันจะกลับไปหาหมวลชนเพื่อบอกให้เขาได้รับรู้นี่ก่อนตอนหลังก็รับรู้ว่าอะไรต่อนี้อะไรนะว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นแบิซุบรู้สิ่งเหล่านี้ที่จะร้องให้ก็ทํานายปรากฏการที่เกิดขึ้นในอนาคตให้รับรู้ได้แล้วก็ต้องมีเกินมีมีมมการระมัดระวังวันนี้เราก็เอา ความรู้ตรงนี้มาระวัดระวังชีวิตของเราวันที่เราเข้มแข็งปฏิบัติดีเพราะช่วงวัยของชีวิตน่ะเป็นยังไงหนึ่งไล่บุญเล่นโดยไม่มีเหตุผลต่อไปล่าวนเล่นแบบมีเหตุผลเข้าโร ง, ง, ง, งเรียนแล้วต่อไปพอหนุมน่มๆนายซีนะ่ะตนชอบความสวยงามนะต่อต่อไปอะไรครับตะกาสุด มันช่วงอะไรนะช่วงนะช่วงะเจ็ดปีสิบปีเนี่ยนะต่อไปก็ตการุดสักสักอะรสั่งสมสทรัพย์สมบัติอย่างมีทรัพย์มีสบมบัติอะไรๆ อ, อายุประมาณสี่สิบเนี่ยอ่าต้องการมีทรัพย์สมบัติเยอะๆเป็นช่วงวัยของความต้องการห้ามไหมไม่ห้ามแต่ว่าเราต้องมีสามควบคุมอยากรวยได้ไหมได้ทำอาชีพที่ฮาลานอยากรวยได้ไหมได้กินเพราะหิวอยา ก, กินเพราะอยากอยากรวยได้ไหมได้เก็บน้าแต่เก็บไปแล้วครบรอบปีครบ คมดีซอฟอต้องออสการนี่ความรวยที่เราจะต้องคือควบคุมจะอันติสามแล้วก็อะไรนะตาฟาคุดก็มีความภูมิใจว่าลูกโตแล้วแต่งงานแล้วมีลูกมีหลานเป็นช่วงวัยของชีวิตมาช่วงละ10ปีสิบปี10ปี10ปน ะ, ะพอครบ70ปีแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะต้องเตรียมตัวกลับบ้านงั้นเราเป็นอุมาถ้าใ น, นเป็นอุมาสโลสลัมอะเป็นอุมาที่ไรเนื่องตัวเล็กกินน้อย ส อ, อายุน้อยบาปไม่เยอะเราอายุน้อยบาปไม่เยอะสเป็นคนที่เกิดในยุคสุดท้ายเพราะอะไรอยู่ไม่นานก็คือยามัดแล้วเราเนี่เกิดยุคสุดท้ายแล้วนะอยูไม่นานก็คือยามัดแล้วแต่คนก่อนหน้าเนี่ยเขาตายกันมากี่พันปีแล้วถ้ามีอัลาอฮฺก็โดนจนโอยเราอายุสั้นอายุก็สั้นบาปก็น้อยแต่บุญได้เยอะเพราะอะไรทำหนึ่งได้สิบ ถ้าบาปทำหนึ่งได้หนึ่งถ้าบุญทำหนึ่งได้สิบเป็นอุมาพิเศษที่อัลลอฮ์ให้เพราะอัลลอฮ์รักนบีและก็รักอุมาของท่นานนบีเราอยู่ในความรักของอัลลอฮ์ถามตัวเองว่าเราตอบสนองความรักของอัลอฮด้วยคําสั่งของอัลลอฮ์หรือไม่นะอย่าคิดว่าอย่าคิดนะอย่าคิดว่าอกหักดีกว่ารักไม่เป็นไม่ใช่นะอัลลอฮ์รักเราเขาให้ทุกทุกอย่างแก่เราเราเก็บความดีต่างๆแล้วนี้ไว้ แล้วก็อิชาล้อจะได้ ก, การตอบแลจากลอโดยสมบูรณ์บอกนี้นะว่านาบียูซุปนะเป็นนบีอันดับที่สิอจากยีอนบีอันดับที่ส1บเอ็ดมี น, นบีอาดัมอิเดริสนูอาฮุดโซลัยอิบรอฮิมลูดอิสมาอีนอิซาแยกรูบยูซุปนะอันดับที่ยี่ออันดับที่สิบเอ็ดแลสอนศาสนาแบบเดียวกันที่บอกว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวไม่มีเจ้าอื่นที่นอกจากอัลลอฮ์ นอกจากถูกบิดเบียนจากยิวและก็นนัสรอที่บอกอุเซ ธ, ธเป็นลูกอัลลอฮ์นัสรอก็บอกอีซาเป็นลูกของอัลลอฮ์งั้นอีซาเป็นบุตรของพระเจ้านั่นคือความไม่ถูกต้องที่สังคมส่วนหนึ่งเ็ายึดถือปฏิบัติตามก็ฝากข้อคิดวันนี้ ให้รู้ว่าความฝันของกษัตริย์ในวันนั้นได้ถูกทําลายโดยน บ, บียูซุสเอ้ได้ถูกได้ถูกทำลายโดยน บ, บียูซุสอยา่างอยา่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็เป็นทฤษฎีที่โลกเอามาใช้ว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจหรือวิกฤตทางสังคมมันจะลง7ปีแล้วก็ขึ้น7ปีแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยหมุนเวียนเปลี่ยนไปสังเกตดูส่ไครันไทยว่าไงนะชั่ว7ดทีดีเจเนี่ยเปีเราสมบูรณ์นึกว่าปีที่5แล้วอีก2ปีต่อไปก็จะ ขาดแคลนบ้างก็ต้องอะไรยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงที่มีมาตั้งใจนะอดีตชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดผนคำไทย